จดหมายจางวางรำเคยได้ยินไหมคะจดหมายจางวางรำจดหมายจางวางรำเป็นพระนิพนธ์ของพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจ่มเจรต์กรมมมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนอมศค่ะนามประการนี้หลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะนิทานเวตาลก็เป็นหนึ่งในพระนิพนธ์ของนอมศค่ะ สำหรับเรื่องจดหมายจาย์วางรามนี้แรกเริ่มทีเดียวนะคะตีพิมพ์เป็นตอนตอนในหนังสือทวีปัญญาแล้วก็รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2478ในสมัยนั้นถือว่าเป็นของแปลกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นวรรณกรรมในรูปแบบของจดหมายก็มีการสันนิษฐานนะคะ ว่าองค์ผู้เขียนองค์ผู้นิพนธ์เนี่ยคะ่ะน่าจะทรงได้รับความาได้รับความคิดหรือว่าได้รับอิทธิพลหรือว่าได้เขาโครงนะคะมาจากเรื่องของจอร์ดฮอรเรซรอลิเมอร์นักเขียนชาวอเมริกันเรื่อง The Letter of a s e l m a t e Merchant to His Son ในวิกิพีเดียนะคะบอกว่า กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงนิพนจดหมายการวังรำในฐานะบรรณาธิการชั่วคราวระหว่างที่ล้นเกล้าราชการที่หกเสด็จพระราชดำเนินเมืองเหนือราวหกเดือนก็ตีพิมพ์ติดต่อกันนะคะในหนังสือทวีปัญญาหกฉบับต่อมาเมื่อห น, นังสือทวีปัญญาเลิกกิจการไปแล้วก็ยังคง มีจดหมายจางวางรำฉบับที่เจ็ดค่ะคราวนี้ตีพิมพ์ในหนังสือเสนาศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจดหมายจางวางรำเนี่ยจึงมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดฉบับเนื้อหาของจดหมายก็เป็นร้อยเก้าเป็นเรื่องของพ่อที่เขียนจดหมายถึงลูกพ่อชื่อว่ารำจางวางเนี่ยอ่าเป็นเหมือนกับเป็นตําแหน่งนะคะ ดิฉันพยายามพยายามค้นดูนะเขาก็บอกว่าจางวางเนี่ยเป็นตำแหน่งยศข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็กตำแหน่งผู้กํากับการตำแหน่งหัวหน้าค่ารับใช้ของเจ้านายชั้นบรมบวงหรือทรงกรมก็คือไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนมียศมีตำแหน่งนะคะในหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าจางวางรำเนี่ยเป็นพ่อผู้ซึ่งมีความเข้มงวด ส่วนในด้านสถานภาพทั่วไปก็เป็นคนมีฐานะค่ะเป็นเศรษฐีเมืองฉะเชิงเราเมืองแปดปลิ้วเขียนถึงลูกชายที่ชื่อว่านายสนนายสนเนี่ย เ, เป็นลูกชายที่ดูเหมือนบ้าจะมีบุคลิกเป็นคนสบายๆแล้วก็ไม่สนใจการงานมากนะัก เป็นการเขียนเพียงฝ่ายเดียวนะคะไม่มีจดหมายตอบค่ะเรื่องราวบอกให้เรารู้ว่านายสนนี้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วพ่อเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในการใช้ชีวิตในการร่ำเรียนในการสัมพันธ์กับผู้คนก็ส่งข้อคิดคำสอนความผวงใยมา ถึงลูกชายนะคะผ่านการเขียนจดหมายวันนี้ค่ะจะเป็นตอนแรกที่เราจะมาแอบอ่านจดหมายของพ่อที่ชื่อว่าจางวางรำเขียนถึงลูกชายที่ชื่อว่านายสนอารมณ์เหมือนกับเราแอบอ่านจดหมายค่ะแต่ว่าเป็นจดหมายที่คนอ่านก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่า เรื่องนี้เนี่ยจะเขียนมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าโดยความรักความผูกพันของพ่อที่มีต่อลูกก็เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเวลาข้อคิดการใช้ชีวิตต่างๆแม้ว่าบริบทของสังคมปัจจุบันจะแตกต่างจากสมัยที่นอมสอนิพนธ์เรื่องนี้แต่ว่าโดยความเป็นมนุษย์นะคะ ก็เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเวลาเช่นเดียวกันอยากให้คุณได้ฟังนะคะกับจดหมายจางวังรัมซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งของบ้านเราดิฉันจะอ่านให้คุณได้ฟังนะคะอ่านให้คุณได้ฟังแบบตัวต่อตัวเลยเราจะเริ่มกันที่คำำํานํา คำนำในคราวพิมพ์จดหมายนี้เป็นเล่มสมุดในปีพุทธศักราช2478นะคะคำนำโดยองค์ผู้นิพนธ์ก็คือนอมสอพระราชวโรวงพระราชวโวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจัมจัตรัดกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์ น, นะคะซึ่งท่านได้เขียนลงวันที่เอาไว้เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน 2 4 7 8นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปแอบอ่านจดหมายโดยเริ่มต้นจากคำนำขององค์ผู้นิพป์กันก่อนเลยค่ะ คำนำซึ่งตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2478นอส อ, องค์ผู้นิพนธ์นะคะได้กล่าวไว้ว่าในรัชกาลที่5แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมารตำแหน่งรัชทายาทอยู่นั้นได้ทรงตั้งสโมสรเรียกว่าทวีปัญญาสโมสรเวลานั้นสมเด็จพระบรมโอรสาประทับอยู่ที่วังสารานลมสโมสรจึงมีสำนักอยู่ในสวนสารานลมได้มีการประชุมการเล่นและการเลี้ยงเป็นคราวๆทานองเดียวกับสโมสร อ, อื่นๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดทรงเล่นอยู่สามอย่างที่เห็นเด่นชัดคือละครอย่างหนึ่งสมสอสรอย่างหนึ่งออกหนังสือพิมพ์อย่างหนึ่งในเรื่องละครได้ทรงมาแต่ครั้งสเสด็จอยู่เป็นนักเกรียนในประเทศอังกฤษและได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครมากเรื่องกว่าใครๆที่เราทราบในวงเล็บว่า หากมีเว้นก็แต่กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีแล้วส่วนสมุสร์นั้นก็ได้ทรงเริ่มตั้งแต่ในประเทศอังกฤษคือสามาัคคีสมาคมของนักเรียนไทยครั้นเสด็จกลับกรุงเทพแล้วก็ได้ทรงตั้งสมสุสรคือทวีปัญญาสมสุสร์สมสรเสือป่าและสมสร อ, อื่นๆการออกหนังสือพิมพ์ก็ทรงเริ่มในประเทศอังกฤษเช่นกัน ได้ส่งออกหนังสือในประเทศนั้นเรียกว่า The l u o k e r on ซึ่งเป็นหนังสือนำสามารถขีสารคือออกก่อนเมื่อเสด็จกลับกรุงเทพแล้วก็ได้ส่งออกอัมพวะสมัยทวีปัญญาจดหมายเหตุเสือป่าจดหมายเหตุของราชนาวีสมาคมดุสิตสมิตรเป็นต้นหนังสือพิมพ์เหล่านี้มีผู้อื่นเป็นเจ้าหน้าที่แต่ทรงพระราชนิพนธ์มาก และโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและชวนผู้อื่นเขียนด้วยเหมือนกันทวีปัญญาเป็นหนังสือของทวีปัญญาสมสุสรออกเดือนละครั้งหนังสือที่นําลงพิมพ์เป็นพระราชนิพนธ์หรือทรงตรวจปโปรดแล้วที่เป็นดังนั้นก็ถือว่าทรงเอาเป็นพระราชธุระมากครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือตลอดถึงบนทุนพายัพซึ่งสมัยนั้น ยังไม่มีรถไฟไปถึงจะส่งดูแลหนังสือทวีปัญญาที่ออกอยู่ทางกรุงเทพนี้ไม่ได้จะส่งหนังสือถวายทอดพระเนตรก็ไม่ทันเพราะเวลาเดินทางตั้งเดือนและในคราวที่เสด็จเดินทางจากนี่ไปโน่นอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เวลาที่จะส่งหนังสือก็มีน้อยในวงเล็บว่าแต่กระนั้นก็ยังได้ส่งพระราชนิพนธ์โครงนิราชพายัพทั้งเรื่องซึ่งได้พิมพ์ในทวีปัญญา การเสด็จพระราชดำเนินเมืองเหนือคราวนั้นเป็นเวลาหกเดือนไม่โปรดที่จะให้หยุดออกหนังสือทวีปัญญาในระหว่างนั้นจึงส่งมอบให้พระองค์เจ้ารัชนีจมจรั์กรมมื่นพิทยาลงกรกับพระยาไพศาลศิลปาศาสตร์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์บนตรีให้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการออกทวีปัญญาตลอดเวลาที่เสด็จไม่อยู่ สองท่านนั้นได้ไหว้วานให้คนอื่นช่วยเขียนบ้างแต่ระวังเลือกจำเพาะผู้ที่เชื่อว่าจะถูกพระราชอัธยาศัยได้หนังสือที่เป็นเนื้อเป็นหนังจากกรมมืหมื่นชินวรนสิริวัฒในวงเล็บกรมหลวงชินวรนสิริวัฒและสมเด็จพระสังฆราชกับเจ้าพยาภาคกรวงในวงเล็บพรบุญหน้าเป็นต้น นอกจากนั้นบรรณาธิการชั่วคราวทั้งสองท่านต้องช่วยเขียนกันเองและเขียนส่วนมากทวีปัญญาที่ออกในระยะนั้นรวมเป็นหนังสือ7ฉบับเพราะเมื่อเสด็จกลับแล้วก็ยังโปรดให้ทําไปก่อนจดหมายจางวางรําเป็นหนังสือที่เจ้าของเขียนเพื่อจะลงทวีปัญญาในระยะนั้นแต่แรกตั้งใจว่าจะใช้ต้นฉบับ หนังสือฝรั่งนำมาแปลแปลลงไปเพื่อให้แล้วทันกำหนดที่หนังสือจะออกแต่เมื่อเห็นว่าถ้าตามอย่างฝรั่งล้วนๆผู้อ่านภาษาไทยจะไม่ซึมคือเหมือนกับไม่ซึมซับก็ได้ตัดข้อความอขออภัยนะคะก็ได้ดัดค่ะดัดข้อความให้เป็นไทยๆในที่สุด กลายเป็นเขียนเองแทนแทบทั้งฉบับกล่าวได้แต่ว่าความคิดเดิมมาจากฝรั่งต่อมาอีกหลายปีเมื่อทวีปัญญาได้เลิกไปนานแล้วปรากฏว่าคนอ่านยังจําจดหมายจางวางรำได้กันมากบรรณาธิการหนังสือเสนาศึกษาได้ขอต่อเจ้าของให้เขียนเองเจ้าของจึงได้เขียนอีกฉบับหนึ่งคือฉบับที่เจ็ด ซึ่งแม้มีภาษาอังกฤษอยู่ท่อนยาวเจ้าของก็แต่งเองล้วนตามที่จําได้ดูเหมือนจะไม่มีเขามาจากหนังสืออื่นเลยอันหนึ่งมีข้อความข้อหนึ่งในเรื่องจดหมายจางวางรําซึ่งแม้เกือบ25ปีมาแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสชี้แจงคราวนี้คือว่าเมื่อจะเขียนจดหมายเหล่านี้ลงทวีปัญญานั้นผู้เขียน นึกหาชื่อที่จะใช้ไม่ต้องการชื่อขุนนางแต่ไม่ต้องการชื่อที่สามาัญเกินไปคิดหาชื่อที่คนอ่านอ่านหนเดียวจาได้และคงจะไม่เอาไปปนกับชื่อคนอื่นคิดดังนี้จึงใช้ชื่อว่าจางวางรําซึ่งสมประสงค์ทุกประการแต่ครั้นหนังสือออกไปในทวีปปัญญาหน่อยหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ วงเล็บไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือเจ้าพระยาภาคกรวงถามว่าทำไมเอาชื่อจางวางรามาใช้ผู้เขียนบอกว่าเพราะจะเลือกชื่อที่ไม่สำคัญคนอ่านอ่านทีเดียวก็ฝังในความจำทีเดียวท่านย้อนถามว่าถ้ากระนั้นเหตุใดไม่คิดชื่อใหม่ทำไมเอานั้งสือไปยกให้จางวางราซึ่งเขียนจดหมายอย่างนี้ไม่ได้เป็นแน่เมื่อได้ฟังดังนั้น ผู้เขียนก็เอะใจขึ้นมาถามว่าจางวังรำเคยมีตัวตนจริงๆหรือท่านตอบว่ามีจริงๆคนผู้ใหญ่รุ่นของท่านรู้จักกันทั้งนั้นจางวังคนหนึ่งของกรมหลวงวงศาราชสนิทชื่อจางวังรำเป็นคนโตซึ่งเจ้านายขุนนางและคนทั่วๆไปรู้จักเพราะเป็นคนทรงใช้สอยสนิทของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ผู้สรงตำแหน่งหน้าที่สาคัญในราชการ จางวางรำเป็นคนเข้าไหนเข้าได้จึงเป็นคนขึ้นชื่อมากในสมัยก่อนและเป็นคนมั่งมีด้วยนั่นเป็นความรู้ใหม่ของผู้เขียนจดหมายจางวางรำที่เลือกชื่อเช่นนั้นเพราะเหตุใดก็ได้ชี้แจงมาแล้วแต่ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีจางวางรำตัวจริงในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก่อนผู้เขียนเกิดช้านานผู้เขียนจะขอโทษก็ไม่รู้จะขอโทษใคร จึงเป็นแต่เพียงกล่าวไว้ในที่นี้ว่าชื่อจางวังรำในจดหมายเหล่านี้เป็นชื่อคิดขึ้นลอยๆมิได้ตั้งใจจะใช้ชื่อคนที่เคยมีตัวจริงๆเลยการรวมจดหมายจางวังรำพิมพ์เป็นเล่มครั้งนี้ทําตามคําขอของผู้เคยอ่านหลายท่านซึ่งผู้เขียนขอขอบใจลงพระนามพิทยาลงกรณ์ถนนประมวลวันที่หนึ่งมิถุนายน นี่เป็นพระนิพนธ์คำนำนะคะของผู้เขียนซึ่งชีง้แจงแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือชื่อจางวังหลางที่พระองค์คิดขึ้นมาเองนั้นกลับมีตัวตนจริงคือมีคนชื่อนี้จริงแล้วก็อยู่ในตำแหน่งจางวางังจริงๆนะคะเป็นคนรับใช้สนิทของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่พระองค์หนึ่ง คือจางวังรำมีตัวตนจริงแต่จางวังรำที่มีตัวตนจริงกับจางวังรำในเรื่องเป็นคนละคนกันค่ะทีนี้ลองมาดูคำอธิบายนะคะคำอธิบายอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายของจางวังรำมกันอธิบายจดหมายจางวังรำ จดหนเหล่านี้เป็นของจางวังรำเศรษฐีเมืองฉะเชิงเซามีถึงบุตรชายซึ่งในตอนต้นๆกําลังออกไปเรียนวิชาอยู่ในเมืองอังกฤษจางวังรำผู้นี้แต่เดิมก็เป็นผู้ขัดสนแต่เป็นคนมีความเพียรและความสามารถทํามาหากินตั้งแต่เป็นคนจนไปจนเป็นคนมั่งมีมีโรงสีไฟอยู่ที่แม่น้ําบางปะกงอย่างน้อยสองโรง มีโรงเลื่อยจักรอยู่ที่ไหนบ้างจนจำไม่ได้เรือใบบรรทุกสินค้าก็มีหลายลำตลอดถึงมีเรือไฟมีเรือไฟเขื่องขนาดเรือไรซิงสั้นเดินทะเลได้ด้วยเครื่องนี้ก็หมายถึงขนาดใหญ่นะคะเทือกเทาเหล่ากอจางวางรําแต่เดิมจะเป็นมาอย่างไรไม่สู้ปรากฏนอกจากที่จะสันนิษฐานได้จากถ้อยคาที่กล่าวในจดหมายเหล่านี้ เมื่อเด็กและหนุ่มจางวางรำเป็นผู้ที่ไม่ได้ทิ้งเวลาเสียเปล่าเมื่อบวชก็ได้เรียนหนังสือเป็นผู้มีโวหารจนออกจะได้ชื่อว่าหนังสือดีส่วนภาษาฝรั่งเมื่อครั้งเป็นสเสมียนก็ได้ภาคเพียนอยู่นานจนเป็นสเสมียนฝรั่งได้อย่างเมื่อครั้งกระโนนมาภายหลังรู้ดีขึ้นทํามาค้าขายติดต่อกับฝรั่งอยู่เสมอๆแกเป็นคนเอาใจใส่อยู่ด้วย ในข้อสิ้นจางวางรำเป็นผู้มีนิสัยใจคออย่างไรนั้นคงจะปรากฏจากจดหมายหลายฉบับซึ่งจะได้รวบรวมนำมาลงพิมพ์ดังต่อไปนี้จดหมายจางวางรำฉบับที่หนึ่ง ถึงนายสนบุตรผู้ออกไปเป็นนักเรียนอยู่ประเทศอังกฤษชาเชิงเซา ว, วันที่สิบสี่พฤษจิกายนถึงเจ้าสนผู้บุตรเรือจรสมุดกลับมาถึงวันนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ไปส่งเจ้าลงเรือมออกจากสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เดิม ข้าก็ได้ตั้งใจจะไปส่งเจ้าให้ถึงสิงคโปร์แต่ในสองวันนั้นเผอิญติดธุระหลายอย่างซึ่งทาไม่รีบทำก็อาจจะฉิบหายความคิดเดิมจึงไม่สำเร็จการที่ข้าตั้งใจจะส่งเจ้าลงเรือเมยใหญ่นั้นก็โดยประสงค์จะให้โอวาดแก่เจ้าไปตามทางเพราะเวลาอยู่ฉะเชิงเรามักติดโน่นติดนี่ไม่ใครมีเวลาจะพูดกันได้แม่ของเจ้า สั่งให้ข้าเตือนว่าเมื่อเจ้าไปถึงเมืองนอกแล้วอย่าร่ําเรียนให้มันเหลือบ่ากว่าแรงไปนะแต่ข้าจะต้องเตือนไปคนละอย่างว่าให้มันเหลือบ่าออกจากล้นใกล้ๆคอพ่อเข้าไว้แหละดีสําหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดที่มันจะหกหกคว่ำคว่เสียบ้างแม่ของเจ้ามีความหวาดหวั่นเกรงว่าเจ้าจะเรียนมากเกินไป ด้วยเห็นลูกท่านที่ไปไปกลับมากลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็นมีคำกล่าวว่าเป็นด้วยอ่านหนังสือเหลือเกินไปนะักส่วนความเห็นของข้านั้นเห็นว่าถ้าตามันจะสั้นด้วยเรียนมากก็ช่างหัวมันปล่อยให้มันสั้นเถิดเวลาเจ้าอยู่เมืองนอกข้าก็จะให้เงินเจ้าซื้อแว่นตาเวลากลับมาเมืองไทย เจ้าจะมารับจ้างข้าทําการข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้าพอซื้อแว่นตาเหมือนกันความเป็นผู้ตาสั้นนี้ไม่สลักสําคัญด้วยแว่นตาราคาถูกแต่การเรียนอะไรไม่ได้นั้นสําคัญที่สุดเพราะถ้าเรียนเหลวกลับมาก็เป็นผู้ไม่มีประโยชน์สมกับที่เกิดมาเป็นคนและความเป็นผู้เปล่าประโยชน์นั้นเป็นของแพงที่สุดแต่เป็นของหาง่าย เปรียบเหมือนมากขาหักซึ่งเจ้าของเป็นผู้ละอายบาปหากว่าจะหาซื้อก็สองสลึงเฟืองต่อเมื่อมีมาอยู่กับตัวแล้วจึงแพงแพงแกผู้เป็นเจ้าของและถ้าเจ้าเป็นเจ้าของก็จะแพงแกข้าผู้เป็นพ่อของเจ้านี้ด้วยคำที่แม่ของเจ้าขอให้ข้าช่วยสอนว่า อย่าให้เจ้าร่ำเรียนจนเกินกำลังวางชาไปนั้นไม่เป็นคำที่จะพึงต้องสอนเพราะข้ารู้อยู่ว่าเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเป็นแน่การที่ข้าแบ่งกำไรโรงสีและเงินค้าขายอื่นๆมาให้เจ้าไปเรียนเมืองนอกครั้งนี้ก็โดยหวังจะให้เจ้าเก็บเอาวิชาอันเป็นประโยชน์ซึ่งเกลื่อนกลนอยู่ที่นั่นกลับมาให้เต็มเปี่ยมที่เจ้าจะบรรจุในตัวของเจ้ามาได้ อย่างเดียวกับเมื่อเจ้าพบขนมอร่อยเข้าได้ทีก็คงกินจนท้องกลางฉะนั้นเมื่อเขาจำน่ายวิชากันในห้องเรียนก็ดีหรือที่ใดๆก็ดีเจ้าจงอย่ารู้กระดากกลัวใครจะว่าว่าเป็นผู้ตะกะ้ตะกรามจะกอบโกยเอาได้เท่าใดจงเร่งกอบโกยเอาเธอในโลกนี้ของดีที่ไม่มีเจ้าของห่วงห้าม ก็มีอยู่แต่วิชาอย่างเดียวถ้าใครมัดได้จะกอบโกยเอาจนรู้เท่าสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่มีใครรังเกียจของดีชนิดอื่ น, นมีสมถือตะบองคอยป้องกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออายุข้าเท่ากับเจ้าข้าไม่มีโอกาสในทางร่ำเรียนอย่างเจ้าแต่เจ้าเดี๋ยวนี้ ก็ไม่มีโอกาสชนิดที่ค่าเคยมีนั่นเหมือนกันคนเราบางคนรู้จักราคาเงินด้วยไม่มีเงินถ้าจะมั่งมีก็ด้วยใช้มือเปล่าเที่ยวพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเล็คราวละสลึงจากเงินหลายโกธที่มีอยู่ในโลกนี้คนบางคนรู้ราคาเงินด้วยพ่อตายทิ้งมรดกไว้ให้ร้อยช่างแล้วลงมือจําหน่าย ประหนึ่งว่าได้ดอกเบีย้ยเดือนละร้อยช่งคนสองจำพวกนี้ก็รู้ราคาเงินเหมือนกันแต่รู้ไปคนละอยา่างคนเราบางจำพวกรู้คุณของความสัตว์โดยเหตุที่ได้เคยคบค้ากับพวกขี้หกบางจำพวกรู้ได้โดยเป็นผู้มันไปฟังเทศทุกวันพระขี้หกนี้ก็หมายถึง คนโกหกหมายถึงคนบางคนรู้คุณค่าของความซื่อสัตย์เพราะว่าคบหากับพวกที่ชอบโกหกกับคนบางจำพวกรู้คุณค่าเข้าใจความสำคัญด้วยการไปฟังเทศฟังธรรมคือรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วก็รู้จากคำสอนคนบางคนทราบว่าเล่าเป็นของชั่ว โดยเหตุที่มีพ่อขี้เมาบางคนรู้ได้ด้วยมีแม่คอยมัดมือโยงเคียนมาแต่เล็กบางคนทราบว่าการพนันเป็นของชั่วโดยเหตุที่มีลูกหลานคอยล้างผานเอาไปให้นายบ่อนมั่งมีบางคนทราบได้ด้วยจะมีธุระปะบางอะไรติดติดขั ด, ข, ดขัดไปหมดเพราะผู้จะทาธุระไปมัวนั่งจั่วไพ่เสียคืนยังรุ่งบางคนทราบด้วย มีนิสัยสูงกว่าที่จะเป็นผู้ใฝ่ฝันในทางนั้นดังนี้ฉันได้การเรียนวิชาก็สำเร็จได้ด้วยวิธีต่างกๆๆันบางคนเรียนได้อย่างตัวข้าโดยเก็บโน่นผสมนี่อย่างแร้นแค้นเรียนกอได้ที่วัดโพเขียนขอได้ที่วัดแจ้งไปขึ้นแม่กลเอาที่วัดสาราปูนกรุงเก่าแต่เมื่อภาคเพียรหนักเข้ามันทนไม่ไหว มันก็ต้องรู้บ้างคนบางคนเรียนวิชาได้อย่างเจ้าคือเอาเงินแทนยาแพรกดอกมะเขือถ้าไม่ขาดความพยายามก็คงได้วิชาเหมือนกันการที่จะเรียนวิชาได้โดยวิธีใดไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่กับตัวผู้เรียนต่างหากเปรียบเหมือนแตงกวาจะดองด้วยน้ำส้มสรั่งก็ได้ดองด้วยน้ำกระเทียมก็ได้ เมื่อดองแล้วก็อร่อยทั้งสองอย่างข้อสำคัญคือแตงกวาที่จะเอาลงดองจะต้องเป็นแตงที่ยังไม่เน่าถ้าเน่าเสียแล้วจะดองด้วยน้ำกระเทียมหรือน้ำส้มขวดละตำลึงมันก็ไม่เป็นรสทั้งนั้นบุคคลที่สืบสาะร่ำเรียนวิชาก็เหมือนแตงกวาดองถ้านิสัยใจคอมันเน่าเสียแล้วถึงจะร่าเรียนด้วยวิธีใดมันก็คงไม่เป็นเรื่องทั้งสิ้น ตามที่กล่าวมาแล้วและยังจะกล่าวต่อไปนี้ใช่ว่าข้าประสงค์จะแสดงทำกันโตให้เจ้าฟังก็หาไม่ได้ด้วยข้าสราบเต็มใจอยู่ว่าคนที่มีความคิดย่อมเทศให้ตนเองฟังกันใหญ่ๆอยู่เสมอและเข้าใจตัวเองซึมซาบดีกว่าที่ทำกระถึกอื่นๆจะสามารถแสดงให้ฟังได้อีกประการหนึ่งถ้าผู้อื่นแสดงโอวาทให้เจ้าฟัง ด้วยสำนวนและวิธีซึ่งไม่เป็นที่เข้าใจกันตลอดก็อาจเป็นทางให้เกิดความเข้าใจผิดอันจะยิ่งซ้ำว่าร้ายตัวข้าเองเมื่อเล็กๆ ก, ก็เป็นตัวอย่างพยานความข้อนี้ในเวลานั้นอายุข้าเราราวสิบอ็ดปีอยู่กับท่านเจ้าอาธิการจันทที่วัดป่ากล้วยมีอุบาสิกาเจียมคนหนึ่งแกเห็นข้าเข้าก็ให้คิดเอ็นดู อยากจะช่วยเกื้อหนุนบวชเปลี่ยนให้วันหนึ่งอุบาสิกาเจียมออกมาจากฟังเทศเห็นข้าเล่นอยู่กลางลานวัดก็เรียกเข้าไปใกล้แล้วถามว่าข้าอยากจะขึ้นสวรรค์หรือไม่ฝ่ายเด็กๆที่เล่นอยู่ด้วยกันเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันมารุมฟังอุบาสิกาเจียมอธิบายว่าถ้าข้าอยากจะขึ้นสวรรค์จะจัดการบวชให้ แล้วรับเป็นโยมอุปถาคต่อไปไอการขึ้นสวรรค์ในเวลานั้นเมื่อเลิกถอยกองและต้องเตแล้วข้าก็อยากจะขึ้นอยู่บ้างแต่ข้าไม่ต้องการจะขึ้นในเวลาที่ไอจำไอส้สีไอมีไอแดงมาคอยจะล้อแน่นอยู่เช่นนั้นเหตุชะนี้ตั้งแต่วันนั้นมา ข้าก็คอยหลบอุบาสิกาเจียมตะพัดไปในวัฏสงานั้นเดิมกำหนดไว้ว่าข้าจะบวชเนนก็เลยไม่ได้บวชเลยเหลวไปอีกถึงสี่ปีการเล่าเรียนนี้ถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับการกินข้าวเมื่อกินแล้วเจ้าทราบไม่ได้ว่าปลาทูปูคั่วหรือไก่พันแนงแกงนกที่มีคุณ ไปเป็นเลือดเนื้อบำรุงกำลังชูชีวิตแต่เจ้าจะโง่สักหน่อยเจ้าก็จะทราบได้ว่าอาหารชนิดไหนทำให้เจ้าต้องเรียกยาประสะการพลูหรือประสิทธิโอสถถ้าหนักมือต้องเติมบรันดีด้วยในตอนเย็นถ้าเจ้ากินข้าวกับปลาแห้งปลาย่างกับน้ำพริกสดเดาเติมขนมมอ้อแกงถั่ว กับของหวานอื่นๆเต็มคาบแล้วนอนกลางคืนถ้าจาฝันว่าราพนาศูนมาบิดไสจนเกือบขาดและเมื่อตื่นขึ้นรีบพลุนพรันออกจากที่นอนนั้นเจ้าคงทราบทันทีว่าผู้ที่มาเข้าฝันนั้นไม่ใช่ผู้อื่นผู้ไกลคือรุกคเทวดาต้นเสดาวกับผีฝักถั่วในขนมห่อแกงนั่นเองความข้อนี้เป็นจริงฉันใด การเล่าเรียนก็เป็นจริงฉันนั้นในเวลาที่เรียนเจ้าทราบไม่ได้ว่าอันยีบราหรือยูครตหรือลอยิกอะไรที่จะเป็นเลือดเป็นเนื้อทำให้เจ้าเป็นผู้มีกำลังวางช้าต่อไปในภายหน้าเจ้าทราบอยู่แต่ว่าของเหล่านี้หากว่าจะไม่เป็นยาธาตุบริหารก็คงไม่ทำให้ธาตุวิบัติการเรียนที่จะทำให้เจ้าปวดท้องนั้น คือการเล่นและการครบค้าสมาคมในหมู่พวกพ้องซึ่งนับว่าเป็นการเล่าเรียนแผนกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นแผนกสเสดาและขนมหม้อแกงถั่วอันจะกินซุ่มซ่ามไม่ได้ ท่านที่มีสติปัญญาบางท่านยกปัญญาขึ้นกล่าวว่าการที่เสียเงินส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกนั้นได้ประโยชน์พอกับการลงทุนที่ต้องลงไปหรือการที่ท่านถามเช่นนี้ก็เพราะเห็นนักเรียนไปเมืองนอกปวดท้องกลับมานั้นมากว่าตามความจริงพวกที่กลับมาโดยสมบูรณ์ร่างกายไม่มีโรคไข้เจ็บติดตัวมานั้นก็มีบ้างแต่ตามธรรมดา แมวเน่าถ้าลอยอยู่ในคลองสักสองตัวก็พาให้น้ำเหม็นไปด้วยครึ่งคลองนี่แหละการลงทุนส่งลูกหลานไปเรียนเมืองฝรั่งนั้นได้ประโยชน์พอหรือไม่ถ้าถามเช่นนั้นก็ต้องกลับถามว่าถ้าซื้อลูกหมูวัดตัวละสิบสลึงมาเอารำกับดอกจอกขุนจนอ้วนไม่ช้าก็จะมีราคาถึงตัวละสิบตำลึงดังนี้จะได้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าซื้อแป้งเฟื้องหนึ่งมะพร้าวเฟื้องหนึ่งมาทำขนมไข่เต่าขายได้สามสลึงแล้วมีหนำซ้ำใช้กะลามะพร้าวทำจ่าขายอัลลภัยได้อีกเป็นสี่อันดังนี้จะได้ประโยชน์หรือไม่เจ้าไม่ต้องสงสัยเลยถ้าไม่ไปทำเหลวเสียถึงอย่างไรอย่างไรมันก็คงได้ประโยชน์อะไรมันสอนให้รู้แลให้เชาววัยไอ้นั่นมีประโยชน์ถ้ามีเงินซื้อ ถึงจะแพงหน่อยก็ยังดียังอยู่ที่จดหมายฉบับที่หนึ่งนะคะที่จางวังรำเขียนไปสอนไปบอกในสนผู้เป็นลูกชายซึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษนะคะ ค่อยคาก็อาจจะมีคําโบราณคําเก่าอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าคงพอจะเดาแล้วก็คงพอที่จะทําความเข้าใจได้นะคะเป็นสำนวนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าโดยเนื้อหาคําสอนนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาอ่านจดหมายจางวังรํากันต่อค่ะ ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับวันนี้หยิบหนังสือจดหมายจางวางรำ พรนิพนธ์ของนอมอสอพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจมจัดรัตกรมมื่นพิทยาลงกรมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือเป็นหนังสือดีที่มีคุณค่าเล่มหนึ่งของบ้านเราซึ่งองค์ผู้นิพนธ์นะคะได้เขาโครงความคิดมาจากหนังสือของต่างประเทศแล้วก็มาปรับให้มีรสมีเรื่อง ที่เข้ากับบริบทแบบไทยๆจดหมายทั้งหมดมีเจ็ดฉบับค่ะดิฉันจะค่อยๆทยอยอ่านให้คุณได้ฟังเป็นการ อ, าอนุรักษ์นะคะเป็นการเก็บรักษาเรื่องราวในจดหมายนี้ไว้ในรูปของสื่อเสียงสำหรับคุณๆที่สนใจด้วยก็สามารถที่จะติดตาม รายการท่องสมุทรหลังใหม่ได้ตลอดเวลานะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะยังอยู่ที่จดหมายฉบับที่หนึ่งที่สอนในเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตค่ะ ออกไปเมืองฝรั่งมันไม่ได้ทำให้คนอับปรีเป็นแต่เด็กมันสัญชาติจะอับปรีอยู่แล้วมันทำให้หนักขึ้นเด็กที่สัญชาตมันจะดีถ้าได้เล่าเรียนวิชาที่ดีมันก็ดีขึ้นเท่านั้นใช่ว่าวิชาแลการไปเมืองนอกมันจะทำให้คนมีนิสัยดีขึ้นก็หาไม่ได้เด็กที่มันเกิดมาสำหรับอับปรีนั้น จะไปเมืองนอกหรืออยู่ในเมืองมันก็อับปรีจนได้แต่คงจะอับปรีไปคนละอย่างเป็นต้นว่าเด็กที่สัญชาติมันจะเล่นเบีย้ยถ้ามันไม่ใครมีโอกาสมันก็เล่นเพียงไพ่ตอถ้าโอกาสมันให้มันก็เล่นซิมเซ็กจับยี่กีแล้วเลยถึงโปถั่วหัวโตตามหมูคนที่มันสมาคมถ้าและมันรู้จักขี้หก โกว้ยดีคนเขาหลงลมมันเขาก็จ้างมันแต่อย่าคิดเป็นอันขาดว่ามันตั้งใจทำงานให้เจ้าขุนมูลหายเพราะใจมันอยู่กับถั่วโปของมันต่างหากเด็กที่มันจะดีถึงอย่างไรอย่างไรมันก็คงดีมันจะเรียนหนังสือแต่ตามวัดเรียนหนังสือฝรั่งกับครูแขกหรืออย่างเอกเพียงสวนกุหลาบเท่านั้น มันก็คงพอเสือกไถไปได้ถ้ายิ่งส่งมันไปเรียนเมืองนอกคอกนาตลอดถึงออกฟอร์ดเคมบริดต์เหล่านั้นด้วยมันก็ยิ่งดีหนักขึ้นวิธีเรียนทั้งสองอย่างมีแปรกันอยู่หน่อยแต่ถ้ามันเรียนอย่างประยาจกหัวมันไม่สูงถ้าเรียนอย่างกระดุมพีเวลามันจะเกาหัวจะต้องเอื้อมแขนสักหน่อยถึงจะเกาถึงไอ่บางคนมันจะต้องต่อแขนด้วยเสียอีก นี่เป็นคำเน็บแนมหมายถึงหัวสูงเหลือเกินขนาด จ, จะเกาหัวตัวเองยังเกาไม่ถึงเพราะหัวสูงมากวิธีเรียนทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้มันแปลกกันเหมือนมวยวัดกับมวยนายขนมต้มอาจชนะได้ทั้งสองทางมวยนายขนมต้มเห็นจะดีกว่าสักหน่อยแต่นายขนมต้มจะต้องมีกำลังอยู่บ้างทําไมเช่นนั้นไอ้ข้างโน้ มันจะเอาแรงเข้าโถมเวียงแห่เอานายขนมต้มลงไปเพราะมันโกรธที่นายขนมต้มขยายท่าทางมวยดีมาชกมันพูดถึงการส่งลูกไปเรียนเมืองนอกทำให้ระลึกขึ้นได้ถึงเจ้าสัวแก้วแต่เดิมเคยขายหมูหรือแลกข้อพองอะไรอันหนึ่งก็จำไม่ได้ต่อมามีเงินทองทำภาษีอากรรวยพอใช้ มีลูกชายชื่อเจ้าสอนเป็นเด็กเซ่อๆอยู่สักหน่อยต่พ่อเสียเงินให้เล่าเรียนเอาจริงๆจังๆชี้แกงว่าตัวเองต้องหากินตั้งแต่เป็นคนเลวมาจนเป็นคนดีถึงล่าวลูกจะให้มันเป็นคนดีเฟิร์สคลาสเสียแต่ต้นทีเดียวครั้นถึงเวลาสมควรก็ส่งเจ้าสอนไปยุโรปกล่าวว่ามันจะได้ชุบตัวเสียสักหน่อยไอเรื่องไปยุโรปเรียกว่าไปชุบตัวนี้ ข้าเองก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นได้อย่างไรและไม่ได้เห็นจริงด้วยเลยที่พูดก็ตามคำเจ้าสัวแก้วเท่านั้นฝ่ายลูกชายไปถึงเมืองนอกก็ร่ำเรียนได้ดีจนได้ไปอยู่ออกฟอร์ดได้ดีกรีดีกาสำเร็จเรียบร้อยตามแบบแผนครั้นกลับมาตามทางถึงน้ำเขียว ที่สวนกระเบือไฟที่พาลงเจ้าสัวแก้วไปเมืองจีนเสียแล้วเจ้าสอนเข้ามาถึงกรุงเทพทราบว่าตัวเป็นกำพร้าแล้วหนาซ้ำไม่มีอัดติดตัวอีกชั้นหนึ่งเพราะเจ้าสัวแก้วทำภาษีขาดทุนใหญ่สองปีพอหมดทุนก็ตายพอดีฝ่ายข้าเองก็เสียไม่ได้ ด้วยเคยชอบพอกับเจ้าสัวแก้วมาแต่ก่อนครั้นเจ้าสอนมาหาก็ช่วยจัดหางานให้ทำดูท่าทางมันออกจะไม่สู้เข้าเขาแต่เห็นว่าพอเป็นเสมียนข้างฝรั่งได้ก็นำไปฝากทำการในแบงค์แต่ก็ไม่ได้เรื่องด้วยเจ้าสอนรู้พงสวดานแบงค์มากกว่ามิสเตอร์กรีนในแบง์หลายเท่ากรรมการใหญ่รวมกันหมด ก็รู้โปริติการอีโคโนโมี่สู้เจ้าสอนไม่ได้แต่เงินบาททาที่โรงกระสาบกับเงินบาทที่ซ่อนทําตามกรอกหลังโรงเจ็คผิดกันอย่างไรเจ้าสอนหาทราบไม่คือเหมือนกับว่ามีความรู้ในเรื่องวิชาการ ดีกว่าผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าเรียนจากเมืองนอกแต่ว่าไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รูออ้วิธีการทำงานประมาณนั้นนะค ะ, อะลองฟังต่อค่ะครั้นท่าทางจะไม่ได้การข้าก็จัดการให้ย้ายไปทำหนังสือพิมพ์เจ้าสอนรู้ภาษาต่างๆอย่างน้อยสี่ภาษา รู้ตลอดจนว่าเมืองที่เบตมีอะไรบ้างเรากับเคยไปอยู่สักสิบปีในดวงดาวพระอังคารมีอะไรบ้างก็ออกจะรู้วิธีเดินทัพตัต้งแต่รัชกาลพระร่วงแลสมัยซีซ่าเป็นอย่างไรรู้หมดตลอดพงศาวดารแต่จะแต่งเรื่องแหกรินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สำเร็จความรู้เยอะนะคะรู้ประวัติศาสตร์รู้ไปหมดทั้งโลกนี้โลกไหน ใ ห, ให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการแหกถินเขียนไม่ได้ตกลงจะให้ทำอะไรเจ้าสอนคงรู้กว้างขวางทุกอย่างแต่ทำไม่ได้อาจแสดงให้เห็นได้โดยวิธีตรีโกโนเมตรีคือเป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะว่าวิธีตรีโกโนเมตรีและอีโอโลจีก็คือ ตรีโกณ omet รีแล้วก็ g e อโลจีว่าสองกับสองรวมกันเป็นสี่ <c oughs> ก็คือตรีโกณมิติใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆสองกับสองรวมกันเป็นสี่แต่จะลงบัญชีขายข้าสารก็ไม่ถูกลงท้ายถ้าก็เห็นว่าความรู้มันมากนะจึงพาไปฝากเขาให้เป็นครูท่านเจ้าพนักงานท่านก็ยินดีรับ แล้วให้ไปเป็นครูได้หน่อยหนึ่งก็ไปรู้มากกว่าครูใหญ่อธิบายว่าที่สอนกันอยู่แล้วไม่ถูกทั้งนั้นควรทําอย่างนั้นอย่างนี้ตามวิธีข้างโก้มาบัดนี้ได้ยินข่าวว่าลาออกหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่เห็นกลับมาให้ช่วยหางานให้ทําที่ข้าเล่าเรื่องเจ้าสอนมานี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่รู้อะไรไปทุกอย่างนั้น ไม่เป็นรถสู่รู้จำเพาะแต่ที่จะให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ให้เจ้าตั้งใจเรียนสมประสง์เถิดเมื่อมีเวลาข้าจะเขียนถึงเจ้าต่อไป อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะคะกับเรื่องราวของเจ้าสอนเนี่ยเจ้าสอนลูกเจ้าสัวแก้วพ่อส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วก็รู้ไปหมดทุกอย่างเลยรู้ภาษาตั้งสีภาษารู้ประวัติศาสตร์รูเ้เรื่องตรีโกณมิติใช่ไหมคะรู้คณิตศาสตร์ชั้นสูง แต่จะลงบัญชีขายเข้าสารลงไม่ถูกให้ไปสอนหนังสือก็ไปรู้ดีกว่าคู่ใหญ่แล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาอีกสุดท้ายทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงทุกยุคทุกสมัยนะคะว่าบางทีคือความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดรู้แต่ทฤษฎี เรียนเก่งแต่ว่าทำงานไม่เป็นทำนองนั้นนะคะนี่เป็นใจความสำคัญที่จางวังรามเนี่ยสอนลูกชายว่าถ้าจะเรียนเนี่ยก็ให้เรียนให้ดีๆเรียนเฉพาะสิ่งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายไปเสียทั้งหมดเพราะถ้าเกิดรู้มากมายไปเสียทั้งหมดแล้วใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน มาถึงฉบับที่สองนะคะฉบับที่สองจางวังรำมมีถึงบุตรชายเมื่อได้เห็นใช้เงินฟุ่มเฟือยนะ ชะเชิงเรา ว, วันที่ห้าพฤษภาคมถึงเจ้าสนผู้บุตรโดยหมูนี้ถ้าตรวจดูบัญชีรายจ่ายของเจ้าดูมันหนักมือขึ้นทุกเดือนถ้าปล่อยตามใจเจ้าไม่ช้าเจ้าคงจ่ายเงินเกือบเกือบเท่ากรมเก็บกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แปลกกันแต่กรมเก็บลงบัญชีจ่ายตามคำสั่งกรมสารบาัญชีแต่เจ้าคงจะลงจ่ายตามคำสั่งของตัวเองทั้งนั้นส่วนเงินจำเพาะส่วนค่าเล่าเรียนของเจ้านั้นก็ดูดูเสมอตัวอยู่จึงเป็นที่เห็นได้ว่าในเรื่องเรียนวิชาเจ้าไม่ได้จำเริญนขึ้นเลยแต่ความรู้ในทางสุรุ่ยสุร่ายของเจ้าเติบโตขึ้นเร็วนกะ เงินที่เสียในส่วนเรียนแท้ๆนั้นจะสูงขึ้นและสูงเร็วเพียงไรข้าไม่ว่าส่วนเจ้าจะเสียเงินค่าเล่าเรียนมากได้แต่เมื่อเจ้าเรียนวิชาสูงเช่นเดียวกับเจ้าไม่ไว้จุกหรือไม่ได้เป็นเจ็คพ่อแม่ก็เสียเงินค่าโกนจุกหรือตัดเตียให้เจ้าไม่ได้ส่วนเสื้อบอนสตรีทและดินเนอร์คาวตั้นนั้นไม่เกี่ยวกับการริ่มเรียน แต่การที่เจ้าจะเป็นสมียนโรงสีต่อไปนั้นเลยและเมื่อข้ากล่าวแก่เจ้าว่าข้าต้องการให้เจ้าร่ำเรียนโดยอย่ารู้จักกระเบ็ดกระแหม่นั้นข้าไม่ได้หมายความว่าจะซื้อบอลสตรีทไว้สำหรับตัดเสื้อให้เจ้าหรือซื้อโฮเดนข่าวตั้นไว้ให้เจ้ากินข้าวเย็นหรือซื้อสนามม้าที่ตำบลเอฟซอมไว้แทนสะระปทุมสาหรับให้เจ้า เล่นโปอย่างฝรั่งที่เมืองนอกหรือช่วยนางละครมาไว้เป็นนางบำเรอของเจ้าเจ้าอย่าได้เข้าใจวิปลาดไปต่างๆเงินที่เจ้าฟุ่มเฟือยเช่นนี้ที่จริงก็ยังไม่ทำให้ข้าต้องล้มละลายแต่ตัวเจ้าเองจะล้มละลายในข้อที่จะเป็นมนุษย์ต่อไปในภายหน้าข้าได้สังเกตมานานแล้ว ว่าเงินประเภทปรายจ่ายของเจ้าสูงเริ่มไปแต่รายงานที่รับจากมิสเตอร์ไวต์ไม่ได้แสดงว่าเจ้าเรียนดีขึ้นตามส่วนของทุนที่ลงไปนั้นเลยถ้าเป็นการของบริษัทค้าขายก็ใช้ไม่ได้เท่ากับออกแชร์ดีเบนเซอร์ Sir, เอาเงินมาซื้อพริกตำละลายเล่นในแม่น้มเจ้าพยาหรืออย่างเดียวกับเอาข้าวเข็มทอง มาต้มขุนหมูที่ไปรู้จักอ้วนไม่มีประโยชน์ตรงไหนเลยความข้อนี้ขานิ่งๆิ่งมานานเพราะหวังอยู่ว่าในสมองเจ้าก็มีมันอยู่บ้างเจ้าคงมีเวลายั้งหย่อนรู้สึกตัวไม่ตรงแนวไปเข้ากองไฟเหมือนมแมลงเมา้าหรือตรงแนวไปลงอเวจีเหมือนมนุษย์จําพวกที่ตั้งใจหาดีโดยให้ร้ายแก่ผู้อื่น มนุษย์จำพวกนี้หาไม่สู้ยากที่เห็นหน้าเป็นคนมีหน้ามีตาอยู่ก็มีบ้างเมื่อเจ้ารู้จักสังเกตเจ้าจะสังเกตได้ว่าคนที่ใช้เงินทองสุรุ่ยสุร่ายนั้นโดยมากเป็นพวกที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องหาเงินเป็นแต่คนอื่นเขาหาไว้ให้ใช้แล้วก็ใช้ไปใช้ไปหรือหากว่าจะหาได้เอง ก็หาได้ด้วยไม่สู้ต้องออกน้ำพักน้ำแรงกี่มากน้อยเช่นได้เงินเดือนเกินส่วนงานที่ทำเป็นต้นส่วนคนจำพวกที่กว่าจะหาเงินได้ตาละบาทตาละบาทก็ต้องเหงื่อไหลใครย้อยนั้นให้เอาสัตติยาพร์ชนิดหนึ่งที่เรียกคอหมามาขายให้อันละสามตำลึงมันก็คิดหน้าคิดหลังเสียสองกลับก่อน จึงจะควักเงินออกซื้อแต่การที่ข้านิ่งดูให้เจ้าฟุ่มเฟือยมานานนี้เจ้าต้องอยากเข้าใจผิดไปว่าข้าไม่ว่ากระไรเพราะข้ามั่งมีคงจะทนให้เจ้าใช้เงินเช่นกรวดเช่นทรายตามใจพ่อเจ้าประคุณผู้เป็นลูกถ้าเจ้าเข้าใจเช่นนั้นไม่ช้าเจ้าจะได้รับความลำบากนะเพราะข้าไม่ได้ตั้งใจจะทนให้เจ้าสูรุ่ยสุร่ายเช่นนั้นเลย ถึงข้าจะมั่งมีสักร้อยเท่าร ส, สชายเมืองไทยข้าก็คงไม่ทนเป็นแน่เพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามีประสงค์จะหลบหลีกความลำบากเจ้าจงหัดประมาณเงินรายใจ่ายในเวลานี้ให้พอๆกับที่ประมาณว่าจะได้ในภายหน้าทําไมอย่างนั้นข้าบอกล่วงหน้าได้ว่าเจ้าจะเดือดร้อน ถ้าแลใครหลงเป็นหนี้ของเจ้าก็จะพลอยเดือดร้อนต้องวิ่งต้องเต้นเหมือนกันจากนั้นจางวังรำก็สอนลูกถึงวิธีที่มนุษย์จะมั่งมีได้อย่างรวดเร็ว วิธีที่มนุษย์เราจะมั่งมีได้รวดเร็วนั้นถ้าพูดกันโดยทางตรงไปตรงมาก็มีอยู่สองทางคือคนอื่นเขายื่นให้เมื่อเขายังเป็นทางหนึ่งเขาทิ้งไว้ให้เมื่อเขาตายทางหนึ่งส่วนการมั่งมีเร็วด้วยวิธีเดินกรอกคือวิธีมืดมืด้เลี้ยวเลี้ยวลดลดนั้นก็มีมาก แต่ถ้าจะนำมาจารันก็ราคาไผ่เบีย้ยงสุภาษิตอาหรับเขาว่าลิ้นยาวทําชีวิตสั้นเจ้ายอมทราบอยู่แล้วการมั่งมีด้วยวิธีเดินกรอกนี้ใช้ไม่ได้ถ้าตายแต่หนุ่ม